วันนี้โยมเยอะออก่อนจะมาสอนปฏิบัติทีหนึ่งไม่กี่คนนะเรียนกันแบบตัวต่อตัวกลุ่มเล็กๆสองสามคนเลยก็มีเวลาให้แต่ละคนเยอะหน่อยถึงวันนี้พวกเราเยอะเยอะเกินไปงั้นหลวงพ่อช่วยได้ไม่ทั่วถึงพวกเราต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆหน่อย วิธีช่วยตัวเองก็คือเวลาฟังธรรมะฟังแล้วหัดสังเกตสภาวะไปเลยไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอกธรรมะที่หลวงพ่อพูดมันก็เป็นธรรมะเฉพาะตัวนะธรรมะมันของเฉพาะตั ว, วก็ต้องทำเอาเองแล้วก็เห็นเอาเองสิ่งที่บอกกันได้ก็คือวิธีปฏิบัติเท่านั้น วิธีปฏิบัติส่วนมากพอมาถึงรุ่นหลังๆเนี่ยมันเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าเคยสอนมาเยอะเลยมันมีเยอะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ก็สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะที่กีก็ทำให้เราลำบากนะบางคนลำบากมากเลยถ้าฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนศึกษาสะหน่อย กาปฏิบัติจะไม่ลําบากเท่าไรเราเ พ, พื่อพระพุทธเจ้าลําบากมาก่อนเราท่านลองกิดลองถูกมานานเฉพาะที่ได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยเสีอสยองไขแสนมหากรับรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีแล้วก็ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยยี่สิบองค์ไขนานมากท่านลองกิดลองถูกถ้าสียอานนานกว่า น, นั้นนะรวมแล้วแปดสิบองค์ไขแสนมหากับนาน ได้รับพยากรสิบหกอสงขุขยขีิถ้าพวกเราศึกษาบทเรียนที่ท่านสอนไว้ให้ดีการปฏิบัติเพื่อจะง่ายบทเรียนที่ท่านสอนมีนสามบทศีลสิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกขาถ้าเราเรียนข้ามขั้นหลายคนชอบข้ามขั้นนะเรียนศีลก็นึกว่าง่ายๆแค่ขอศีลห้าจากล้าก็เรียกว่าศีลสิกขาแล้วมันไม่ตื้นอย่างนั้น จิตตะศิขาบางคนก็คิดว่าแค่นั่งสมาธิไม่ว่าจิตตศิขาบางคนไม่สนใจก็ทั่งจะนั่งสมาธิเลยพอมีศีลแล้วก็กระโดดไปเจริญปัญญาไปรู้รูปรู้นามคือบทเรียนที่พระพุทธเจ้าวางให้เนี่ยมันพอเหมาะพ อ, พอดีถ้าเดินตามไปแค่ปฏิบัติจะราบรื่นไม่เหน็ดเหนื่อย อยู่ๆกระโดดไปเจริญปัญญาสิกขาไปกำหนดรูปกำหนดนามเหนื่อยสสหเหนื่อยแสนสาหัสเลยศีลสิกขาเป็นเรื่องที่ว่าทำยังไงใจเราจะเป็นปกติจิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นธรรมดาที่สุดนั่นแหละเป็นจิตที่เหมาะกับการเจริญวิปัสสนามากที่สุดพวกเราชอบไปทำจิตให้ผิดปกติแล้วเอาจิตที่ไม่ปกตินี่ไปทำวิปัสสนา ร่างกายของเราก็ทำให้มันไม่ปกติทำให้มันแข็งแข็งไปบังคับกายไปบังคับใจให้มันผิดปกติทั้งกายทั้งใจแล้วก็เอาสภาวะที่ไม่ปกตินี้ไปทำวิปัสสนาานี้ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเลยังนั้นบทเรียนแรกเนี่ยทำยังไงจิตใจเราจะเป็นปกติเป็นธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะเราลองคิดดูเถอะพวกเด็กเล็ก พวกเด็กเนี่ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วมากเลยเพราะเด็กมันเรียนรู้ด้วยความซื่อมันเรียนเพราะว่ามันสนใจที่จะรู้เท่านั้นมันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้อะไรมาจากการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้มือเรียนรู้อะไรขยับนะเรียนรู้อะไรรอบๆตัวค่อยๆเรียนรู้ทุกวันมีแต่การเรียนรู้เพราะฉะนั้นเด็กจะอัตราการเรียนรู้ของเด็กจะเร็วผู้ใหญ่ยิ่งโตยิ่งเรียนรู้ช้า พรจิตใจมีความไม่ปกติมากขึ้นมากขึ้นพ อ, อฟังธรรมะก็จะเริ่มเปรียบเทียบนะสำนักนี้ว่าอย่างนี้สำนักนั้นว่าองั้นคิดไปเรื่อยๆมันไม่สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้อย่างเปิดกว้างแล้วจิตใจเราไม่ค่อยปกติแล้วใจเราเต็มไปด้วยโลภะอย่งเด็กๆมันเรียนเพื่อจะรู้ของเราเรียนเพื่อจะได้ปฏิบัติเพื่อจะได้อันนี้เพื่อจะเอาอันนี้ ใจมันไม่ปกติถูกกิเลสครอบงำอยู่การปฏิบัติเลยเหน็ดเหนื่อยถ้าหากเราจะฝึกศึกษาว่าทำยังไงจิตใจเราจะเป็นปกติเราลองศึกษาเรื่องศีลดูศีลสำหรับนักปฏิบัติไม่ใช่ศีลห้าไม่ใช่ศีลแปดไม่ใช่ศีลสิบไม่ใช่ศีลสองรอยี่สิบเจดศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ด เป็นสีเชิงจริยธรรมส่วนสีของนักปฏิบัติที่พวกเราควรศึกษาให้มากชื่อว่าอินเซียสังวรศีอินเซียสังวรศีเนี่ยหมายถึงการสำรวมอินทรีย์จนกระทั่งใจเป็นปกติสำรวมอินทรีย์ไม่ได้แปลว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรที่เหนือธรรมดาง่ายที่สุด ทิศสูตทั้งหลายเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายมันจะเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเนี่ยตามองเห็นความยินดียินร้ายมันก็เกิดขึ้นมาให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดที่จิตนี่ถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสจะครอบงำจิตยินดีขึ้นมานะโลภะหรือราคะก็แทกยินร้ายขึ้นมาโทสะก็แทก ราคะโทสะไม่ทำงานเดี่ยวๆต้องทำงานร่วมกับโมหะเสมอฉะนั้นเวลากิเลส เ, เกิดเนี่ยเกิดสองตัวถ้าราคะหรือโทสะเนี่ยต้องเกิดร่วมกับโมหะแต่โมหะเกิดเดี่ยวๆได้นะโมหะเกิดเดี่ยวๆได้แต่ราคะโทสะต้องเกิดร่วมกับโมหะราคะกับโทสะไม่เกิดร่วมกันเมื่อตาเรามองเห็น ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําจิตเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาที่จิตนะให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําจิตเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อริ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสเนีงง่ยสัมผัสทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายความยินดียินร้ายมันมาเกิดที่จิตให้เรามีสติรู้ทันอยู่ที่จิตถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําเอา เมื่อ ใ, ใจเราคิด น, นี้เป็นการทํางานทางใจเมื่อใจมันคิดความยินดีร้ายเกิดที่จิตอีกแล้วก็ให้เรามีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำถูกกิเลสครอบงำนี่แหละเรียกว่าไม่ปกติละจิตที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีกิเลสครอบงำนี่เรียกว่าจิตปกติเหมือนท่านจะสอนว่าจิตปกติจิตธรรมดาเนี่ยมันประพัฒสอนมันผ่องใส แต่มันมันเศร้าหมองไปนะมันผิดธรรมดาไปเพราะกิเลสที่จอมาแล้วกิเลสนี่แหละทำให้จิตผิดปกติกิเลสเกิดตอนไหนตอนขาดสติเระงั้นแค่เรื่องศีลก็โยงเข้ากับเรื่องสติละเราจะถือศีลให้ดีไม่ได้เลยถ้าขาดสติฉะนั้นให้คอยมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองไว้จะได้ศีลไม่ใช่รู้ทันร่างกายนะยกตัว อ, อย่างอย่างสมมติว่า หนุ่มๆ น, นะนะมีแฟนแล้วนะสมไปเห็นนางงามเดินมาจิตเกิดราคะขึ้นมาถ้าให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทนันน้ําไปหลงรักสาวอาจจะผิดศีลธรรมเช่นไปนหลอกสาวว่ายังโสดอยู่อนะไรอย่างนี้ผิดศีลธรรมหรือหักหลังเมียตัวเองแต่ถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยราคะเกิดแวบขึ้นมามองเห็นแล้วราคะจะดับทันที อันนี้เป็นกฎของธรรมชาตินะเป็นกฎของธรรมะกฎของธรรมะภาษาแขกเรียกว่าธรรมนิยามกฎของธรรมะก็คือเมื่อไรสติเกิดขึ้นอกุศลต้องดับทันทีเกิดร่วมกันไม่ได้ระหว่าสติกับอกุศลฉะนั้นอย่างเรามองเห็นสาวสวยใจเราเกิดราคะรู้ทันปับ๊บราคะจะดับทันทีศีลจะเกิดขึ้นอัตโนมัติจะไม่ไปหลอกลวงเขาล้จะไม่นอกใจคู่ของตัว เดินเดินไปเห็นคนเขาทากระเป๋าสตางค์หล่นเห็นแล้วอยากได้อยากได้รู้ทันว่าใจมันอยากได้ความอยากนั้นจะครอบงําใจไม่ได้เกาไม่เอาของเขาเรียกเจ้าของมาเอาไปได้ถูกเขาด่าโกรธสติรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นที่จิตบำกรดครอบงําจิตใจไม่ได้นี่ไม่ผิดศีลละไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขาไม่ด่าเขาไม่ไปใส่ร้ายเขา การที่เรามีสติรู้ทันจิตเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้กระทั่งกระทบความคิดใจกระทบความคิดนี่เป็นเรื่องทางใจสรุปแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นที่จิตให้เรามีสติรู้ทันรู้ทันจิตตัวเองตรงนี้ต้องฟังให้ดีอย่าไปตีความให้เพี้ยนบางคนก็ไปตีความว่าถ้างั้นอย่าไปมองเห็น อย่าดูไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องดมกลิ่นไม่ต้องลิ้มรสไม่ต้องกระทบสัมผัสอะไรอย่างนี้แล้วจะดีกิเลสจะได้ไม่เกิดที่เข้าใจผิดถ้าไม่ดูแล้วก็บรรู้เร็วคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราถ้าไม่ฟังแล้วบรรู้เร็วนะคนหูหนวกจะบรรลุก่อนเราแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยเป็นช่องทางให้กิเลสเกิดขึ้นที่จิตก็จริงแต่ปัญญาก็เกิดในช่องทางเดียวกันนี้ ฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปไม่ต้องห้ามมันเมื่อกระทบแล้วก็อย่าไประวังอย่าไประวังไม่ให้เกิดอะไรขึ้นในใจบางคนกระทบปุ๊บจะรีบกาหนดเลยนะตัดไม่ให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจพใรจะพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่า น, นบอกเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันท่านไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายอย่าเห็นรูป พิสู่นทั้งหลายเมื่อเห็นรูปแล้วอย่า ย, ยินดียินร้ายไม่ได้สอนนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝืนธรรมชาติบางคนฝึกกรรมฐานลําบากนะพระตามองเห็นรูปรีบกําหนดรูปรีบกําหนดที่ตาจิตจะได้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายถามว่าอะไรผลักดันให้ไปกําหนดโลภะนั่นแหละผลักดันให้กําหนดอยากปฏิบัตินั่นแหละผลักดันให้กําหนดเพราะฉะนั้นกระบวนการกําหนดทั้งหมดนั้นถูกครอบงําด้วยโลภะ กิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมกิเลส ท, ทาให้เกิดกรรมก็จริงอะนะแต่มันเกิดร่วมกันเพราะงั้นอยากปฏิบัติตากระทบรูปปับ๊บกําหนดปับ๊บเนี่ยด้วยโลภะอยากปฏิบัติความอยากยังครอบงําจิตจุดจิตดวงนั้นไม่มีสติจริงหรอกสติตัวจริงไม่เกิดแต่ว่ามันเป็นการไปเพ่งตัดความรู้สึกไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจ เพราะงั้นเรากำหนดที่ตากำหนดที่หูกำหนดที่จมูกที่ลิ้นที่กายเนะี่ยใจเฉยเฉยถ้วใจเฉยเฉยคิดว่าดีแล้วพ้นจากความยินดียินร้ายนี่ฝึกอย่างนี้ลำบากนะแต่ถ้าฝึกง่ายๆอย่างที่พระเจ้าบอกตามองเห็นรูปเนะี่ยไม่ได้สอนบอกภิกษุอย่าเห็นรูปเห็นรูปแล้วจิตเกิดความยินดียินร้ายไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายเห็นรูปแล้วห้ามยินดียินร้ายอย่าไปห้ามมัน ปล่อยให้ใจกระทบปล่อยปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามปกติเมื um ่อกระทบอารมณ์ตามปกติแล้วปล่อยให้จิตใจเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอารมณ์นั้นตามปกติหน้าที่มีอันเดียวคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ใจของเราไว้เยินยินดีขึ้นมาก็รู้ทันเยินยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ยความยินดียินร้ายจะครอบงําจิตไม่ได้นะกิเลสราฆาโทษาอะไรจะครอบงําจิตไม่ได้ การที่เรารู้ทันสภาวะธรรมในปัจจุบันที่กำลังปรากฏขึ้นนั้นพราะเป็นตัวปัญญาขาจัดโมหะออกไปเพราะฉะนั้นจิตดวงนั้นจะเป็นมหาภูศุรจิตตัวจริงไม่มีโมหะคือรู้สภาวะรงความเป็นจริงได้ไม่มีโลภะโทสะเพราะโลภะโทสะแทรกเข้ามาไม่ได้เนี่ยจิตดวงนี้เป็นปกติและจิตดวงนี้เป็นภูสุลที่แท้จริงเห็นไหมเรื่องจิตเรื่องศีลนะนี่เรื่องศีลนะ เรียนจนกระทั่งจิตเป็นปกติไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าไม่มีสติจิตไม่มีทางเป็นปกติเลยนี่เรื่องที่หนึ่งนะบทเรียนที่หนึ่งจำไหวไหมจำไม่ไหวเดี๋ยวโยกขาจะทำซีดีแจกนะบทเรียนที่สองนะชื่อจิตสิกขาบทเรียนที่หนึ่งีนะ <c oughs> ร ส, นะ ส, รสิกขาเรียนไปเพื่อให้จิตเป็นปกติจิตที่เป็นปกติคือจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำ เป็นจิตที่ประกอบด้วยอะโลภะอะโทสะอะโมหะไม่มีโลภะโทสะโมหะบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาต้องเรียนนะหลายคนไม่เรียนบทที่หนึ่งก็ไม่เรียนบทที่สองก็ไม่เรียนนะจะกําหนดรูปนามรูปเดียวสิ่งที่ทําขึ้นมาผิดพลาดแน่นอนใจใหนักห น, กหนกแน่นๆ่นแข็งแข็ ง, ขงซึมซึมทื่อๆนะอกุศลมันเกิดไม่ใช่สติปัญญาเกิดเลยการปฏิบัติยิ่งปฏิบัติยิ่งลําบากยิ่งไกลออกไปไกลออกไป ไกลสุดขีดจะไปถึงไหนถูถ้ากำหนดรูปนะไกลสุดขีดจะไปเป็นปลงลูกฟักถ้ากำหนดนามไกลสุดขีดเลยจะไปเป็นอรูปประุมเพราะนัต้องต้องเรียนนะต้องเรียนให้ครบสามบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนจิตสิกขาเนี่ยเรียนเรื่องจิตบางคนบอกว่าดิฉันเริ่มต้นใหม่จะไม่เรียนจิตฉันจะต้องเรียนกายก่อน บทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขานะจะไม่เรียนเรื่องจิตได้ยังไงจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะเพราะฉะนั้นต้องเรียนเรื่องจิตส่วนเรียนเรื่องจิตแล้วจะไปเจริญปัญญาด้วยการรู้กายหรือรู้จิตอันนี้แล้วแต่จริตนิสัยแต่ต้องเรียนเรื่องจิตก่อนจิตสิกขาเรียนว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศล จิตยังไงเอาไว้ทำสมถะจิตยังไงเอาไว้ทำวิปัสสนะถ้าไม่รู้จักล้วก็เราจะเอาจิตที่เป็นอกุศลไปเจเริญมิปัสสนาก็มีเอาจิตที่ควรทำสมถะเนี่ยไปทำมิปัสสนาก็มีอาการที่เกิดขึ้นมาถึงได้พิลึกพิลั่นกันใหญ่ฉะนั้นต้องเรียนจิตสิกขาอันแรกเลยจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศล จิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีอโลพาอะโทซาอะโมหะอโลพาอโทสาโมหานี่เรียนมาแล้วนะจากตะกี้นี้จาเรื่องศีละสิกขาจิตที่เป็นกุศลมีฮิริโอตับะมีความละอายบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปจิตนะที่เป็นกุศลมีความเบาตัวเนี้ยเริ่มสังเกตได้ง่ายนะถ้าเมื่อไหร่เราปฏิบัติแล้วจิตหนักๆจิตตัดดวนั้นเป็นอกุศลแน่นอน จิตที่เป็นกุศลจะต้องเบาเรียกว่าละหุตาจิตที่เป็นกุศลต้องอ่อนโยนต้องลุ่มนวลเรียกว่ามูทุตาถ้าปฏิบัติแล้วจิตแข็งกระด้างแข็งอย่างนี้นะจิตแข็งกระด้างอย่างนี้อ ก, กุศลและจิตแน่นอนจิตที่เป็นกุศลมีกรรมัญจญ า, าควรแกการงานไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำถ้าลงมือปฏิบัติเขราะอยากปฏิบัติแล้วก็ กิเลสนิวรณ์ครอบงําเรียบร้อยแล้วงั้แค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะแค่อยากปฏิบัติก็เป็นอาคูสุลแล้จิตไม่ควรแก่การงานเลยขนาดนั้นเอาไปทําอะไรไม่ได้จริงหรอกมันเป็นอาคูสุะงั้นต้องสังเกตนะอย่างเราจะยกเท้ายั่งเท้าเนี่ยถ้าอยากปฏิบัติแล้วก็ผิดแน่นอนอยากจะรู้เท้าแล้วก็ผิดแน่นอนนะอยากจะรู้ลมหายใจอยากกาหนดลมหายใจผิดแน่นอน เมื่อยี่สิบปีก่อนน่ะหลวงพ่อไปวัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ทางสุรินนี่ตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่ละไปภาวนาอยู่ในวัดเช้าๆช้าก็ไปถวายอาหารถวายตอนพระฉันข้าวนะโยมก็กินข้าวไปด้วยเสร็จแล้วต่างคนต่างแยกย้ายหลวงพ่อก็รีบไปแปลงฟันฉ<ม>ันข้าวแล้วมีนิสัยต้องแปลงฟันแปลงฟันเสร็จแล้วก็ออกมาจากกุฏิก็ไปเดิน แต่วันนี้จะต้องหาที่สบายๆจะได้ภาวนาเดินๆไปเจอเก้าอี้หินตัวหนึ่งตัวใหญ่เหมือนกันอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นด้านหน้าเป็นสระน้ำกว้างเลยโอ้ตรงนี้ดีตรงนี้เหมาะเดี๋ยววันนี้จะภาวนามันตรงนี้ทั้งวันเลยนะรู้สึกอยากภาวนามากเลยกระเยี่ยนกระหือจะภาวนามีพระองค์หนึ่งนะหลวงพ่อองค์นี้ท่านตะโกนข้ามสระน้ำมาเลย คนที่หันมาดูทางวัดเลยตะโกนบอกปลาโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วตะโกนมาเต็มเสียงเลยวากันกว้างหันไปดูนะเห็นท่านมือหนึ่งถือขันน้ํานะมือหนึ่งถือแปลงสีฟันนั่งยองๆเตรียมจะแปลงฟันโอ้โหใจนี่มันเห็นชัดเลยมันกําลังอยากปฏิบัติมันไม่ไปเห็นเพราะงั้นถ้าหากปฏิบัติไปด้วยความอยากตลอดวันนี้ความอยากครอบงําอยู่จะได้อะไรก็ได้ความอยากสิ ดีไม่ดีตายไปเป็นเปรตเอาตอนนั้นโดนท่านตะโกนมานะโอ้เขินเลยนะคนหันมามองทั้งวัดเลยแต่ว่าดีใจเห็นกิเลสเพิ่มขึ้นอีกตัวแล้วเห็นความอยากจะปฏิบัติงั้นถ้าจิตมีความอยากมีกิเลสครอบงําอยู่เรียกว่าจิตไม่ควรแก่การงานเลยจิตดวงนั้นไม่ควรจะเอาไปทําอะไรที่ดีๆเราคุณทําไม่ได้งั้นถ้าเราอยากปฏิบัติเราก็รู้ทันนะไปรู้ทัน จิตที่เป็นกุศลเนีน่ยนอกจากต้องเบาต้องนุ่มนวลอ่อนโยนนะต้องไม่มีกิเลสครอบงำนะไม่มีนิวรณ์ครอบงำจิตที่เป็นกุศลมีความคล่องแคล่วถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตของเราซึมซึมซึมเป็นวันวันซึมหลายหลายวันซึมหลายเดือนซึมเป็นปีอกุศลแน่นอนจิตที่ซึมซึมเป็นอกุศลจิตนเป็นลักษณะของอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิต ปราดเปรียวไม่ซึมไม่ถื่อนะจิตที่เป็นมหากรุสรจิตมีอุชุกตาซื่อตรงรู้ทุกสิ่งตามที่มันเป็นไม่ใช่รู้อะไรก็แทรกแสงอันนั้นไม่ใช่อยากจะรู้พออยากจะรู้ก็จงใจไปรู้รู้แล้วก็เข้าไปแทรกแสงนี่ไม่ใช่รู้อย่างซื่อตรงนะรู้ซื่อๆรู้เหมือนหัวใจของเด็กเนีไม่ใช่รู้อย่างเจ้าเล่ยแบบผู้ใหญ่รู้รู้ซื่อๆ อะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่รู้อย่างกิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ามีกิเลสไม่ใช่รู้เพื่อจะละกิเลสนะงั้นอย่างพอกิเลสโทสะเกิดขึ้นบางคนไปโกรธนอโกรธน้อเพื่อให้หายโกรธนี้ไม่ซื่อแล้วนะนี้ไม่ซื่อแล้วอยากละกิเลสนะไม่ใช่รู้ซื่อๆไม่ใช่รู้ตรงๆ ต, ตามความเป็นจริงนี่จิตตรงนี้ไม่ควรแกวิปัสสนาแล้ ค่อยๆฟังนะนี่เป็นจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลนี่คู่หนึ่งละจิตที่ควรแก่การทำสมถะกับวิปัสสนานี่ก็ต้องเรียนอยีกจิตที่จะทำวิปัสสนาเนี่ยนะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาจิตที่ควรแก่สมถะเนี่ยมีสติมีสติแต่สติตัวนี้ส่วนมากเป็นสติเพ่งจ้อง สติกำหนดถ้าสติของวิปัสสนาเป็นสติระลึกได้สติในพระไตรปิฎกลองไปอ่านพระไตรปิฎกเราจะพบ ว, ว่าสติท่านแปลว่าความระลึกได้พวกเรารุ่นหลังชอบแปลสติว่ากำหนดนะกำหนดกำหนดเอยก็จะกำหนดในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้กำหนดกับราลึกได้ไม่เหมือนกันกำหนดเนี่ยเกิดจากโลภะ อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะดีจงใจกําหนดเอาไว้เอาสติเข้าไปกําหนดอัตถกถามหาสติปัฏฐานสอนไว้เป็นพันปีไปแล้วนะถ้าเอาสติไปกําหนดรูปนามจะเป็นทุกข์อะไรที่อยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามท่านถามไว้ด้วยตัญหาคือความอยากจะปฏิบัตินะั่นแหละ ทำให้อาสติไปกำหนดรูปนามเป็นตัวสมุทยัยงั้นเราอยากปฏิบตัติลงมือกำหนดปุ๊ความทุกข์จะเกิดคือตัดขึ้นมาแน่นๆ่นขึ้นมาเครียดเครียดขึ้นมาจิตที่เครียดเครเป็นอกุศล น, นะบอกไปแล้วแล้วสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติคือความระลึกได้พวกเรารุ่นหลังชอบกำหนดบางทีสอนมาต้องกำหนดด้วยนะกำหนดตลอดห้ามเผลอเลยห้ามเผลอ จะได้สติต่อเนื่องสติไม่ได้เกิดกจากการกําหนดนะความระาเริงได้ไม่ได้เกิดจากการกําหนดถ้าเราศึกษาให้ดีเรามีคําสอนที่ชัดเจนระบุไว้ชัดเจนในพระพิธรรมสติเนี่ยมีความไม่เลื่อนลอยมีความไม่เลื่อนลอยสังเกตไหมใจเราชอบเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปทางตาเลื่อนลอยไปทางหูเลื่อนลอยไปทางใจเลื่อนลอยทางใจเลื่อนลอยไปคิดนะเลื่อนลอยทั้งวันนี่เรียกว่าไม่มีสติ สติทำหน้าที่อารักขาจิตใจถ้าสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่อากูสนับทันทีนี่ทำหน้าที่อย่างนี้มีผลอย่างนี้อากูสนับทันทีกูสนเจริญทันทีนี่ลักษณะของสติสติเกิดจากอะไรท่านสอนไว้ด้วยนะสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะไม่มีการจำสภาวะได้เป็นลักษณะสติเนี่ยมันมีความไม่เลื่อนลอยนะไม่เลื่อนลอยใจของเราชอบเลื่อนลอย ลอยไปลอยมานะลอยไปทางตาลอยไปทางหูลอยไปทางใจสติมีการจำสภาวะรมได้แม่นยาเป็นเหตุใกลให้เกิดสติเกิดจากการจำสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากกาหนดแต่สติเกิดจากการจำสภาวะได้ยกตัวอย่างอย่างเราจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอจิตเผลอปับ๊บสติจะเกิดเองเลยไม่ใช่สั่งให้เกิดนะ บางคนไปเดินจงกรมกระแทกเท้าวป่งพุ้ง ง, งหวังว่าจะให้สติเกิดขึ้นมาสติไม่เกิดเพราะส้นเท้าหรอกนะสติบางคนนั่งเคกโต๊ะป๊ ก, กป๊อก๊อ ก, อกหวังว่าจะไม่ขาดสติสติไม่ได้เกิดจากสิ่งนี้แค่อยากจะเพาะนี่เราขาดสติเรียบร้อยแล้วแค่อยากจะเดินก็ขาดสติเรียบร้อยลแล้วแล้วสติเนี่ยมีการจำสภาวะไ ด, ด้เป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิด หน้าที่ของเราต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆรู้สภาวะหนึ่งๆถ้าเราหัดรู้สภาวะในที่สุดสติจะเกิดเองการหัดรู้สภาวะของกายหนึ่งๆเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของเวทนาหนึ่งๆเรียกเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของจิตหนึ่งๆเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานดฉงนั้นหัดรู้สภาวะ การหัดรู้สภาวะจะเริ่มจากกายก่อนหรือเริ่มจากจิตก่อนก็ได้แล้วแต่จิตนิสัยของแต่ละคนคนไหนเป็นพวกคิดมากหัดรู้สภาวะของจิตไปคนไหนเป็นพวกโลภมากหัดรู้สภาวะของกายไปหัดรู้ไปเรื่อยๆคุณแถวที่ห้านี้ยเป็นยังไงภาวนาเป็นไงฝึกมาจากไหนเข่งเก่งนี่เออ เหลือทำไมเพ่งเก่งนะักอะไรนะอ๋ออย่าวางอย่างนั้นนะไม่ไม่ได้ฝึกอย่างนั้นหรอกอย่าไปจงใจทำอย่างนั้นนะไม่ดีรู้สึกไหมมันคล้ายๆเร า, าเรรเจะเริ่มเบื่อๆไปเรื่อยๆจะเลื่อนๆไปเอออย่าไปกลัวมัน นะอย่าไปเพ่งอย่างนั้นอย่าไปเพ่งอย่างนั้นพยายามรู้สึกตัวไว้อย่าเข้าไปนะต้องแก้คนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถึงเทศต่อเมื <c> ่ <oughs> <c oughs> อกี้ถึงไหนแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่าเข้าไปนะจำตรงนี้ได้ไหมตรงที่ไหลเข้าไปตรงเนี้ยเออ เวลาหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อเทศจิตใครมากระทบแนละ้วก็เทศอย่างนั้นแหละเทศตามไปอย่างนั้นแหละเพราะหลวงพ่อจริงๆไม่ได้เทศอะไรเท่าไหร่หรอก <c oughs> บางทีจิตของคนเปลี่ยนแปบๆทำ ม, มาเปลี่ยนไปหมดเลยคื <c oughs> อเทศตามคนฟัง <c oughs> ไม่ได้เทศตามโผที่เตรียมเอาไว้เริ่มเข้าไปอีกแล้วอย่าเข้าไปนะ หายใจรู้สึกตัวไว้หายใจชัดๆให้ให้รู้สึกตัวชัดๆไว้นะเช่นนั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะไปหัดรู้สภาวะเคยทำกรรมฐานอะไรทำกรรมฐานอย่างเก่าไดนะ้ยกตัวอย่างคนไหนเคยดูท้องของยุบนะดูไปดูท้องของยุบไปแต่ว่าไม่ใช่ดูเพื่อเพ่งหลายคนดูท้องฟองยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องให้ใจนิ่งๆทื่อๆไว้นะความจริงดูท้องฟองยุบนะ ปรับนิดหนึ่งก็สามารถเดินต่อไปได้แล้วการดูท้องของยุบเนี่ยมันทำได้สี่แบบแบบที่หนึ่งดูไปแล้วขาดสติอันนี้ใช้ไม่ได้เลยดูแล้วลืมเนื้อลืมตัวไปคิดเรื่องอื่นใจลอยไปของคุณเข้าไปอีกแล้วนะออกมาอันที่สองดูท้องข อ, องยุบแล้วใจเราไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นสมถะนะใจไปเกาะอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถะยกเท้าย่างเท้าใจเก า, เกาะอยู่ที่เท้า น, นี่สมถะ รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใจไปเกาะลมหายใจนี่สมถะนะหรือขยับมือสายหลวงพ่อเทียนขยับมือใจไปเกาะ อ, อยู่ที่มือสมถะนะเอาใจไปจ่อไว้ในอารมณ์มันเดียวเรียกว่าเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารามนูปนิชฌานนะเป็นตัวสมถะนี่อย่างที่สองส่วนใหญ่ที่พวกเราทําจะเป็นตัวที่สองนี้งั้นกําหนดไปเรื่อยนะั้นตัวนี้ต้องกําหนดกําหนดอยู่ที่ท้องกําหนดที่เท้ากําหนดที่ลมนะได้สมถะ ใจบางทีเกิดปีติเกิดผลลุบผลปองเกิดผงะซ้ายผงะขวาเกิดตัวโครงเกิดตัวเบาตัวหนักตัวเล็กตัวใหญ่เกิดขนลุกสู้ซ่าเกิดรู้สึกเหมือนมแมลงอะไรมาใส่อันนี้เป็นผลของสมถะทั้งสิ้นเลยเนาการของปีติทั้งหลายบูบ้าบ้บ า, บาทั้งหลายไม่ใช่วิปัสนาญาณ น, นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นวิปัสนาเนีย่ยรตราบใดที่ยังกำหนดอยู่ตรามนั้นยังไม่เป็นวิปัสนาจริงหรอก วิพัสนาเนี่ยสติมันไปะระลึกได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธนะิแล้วก็เห็นสภาวะธรมตรงความเป็นจริงด้วยปัญญานี่ถึงจะเป็นวิปัสสนาะนนี้อย่างที่สองคือเราเอาไปเพ่งไว้อย่างที่สามสมมติเราดูท้องพองยุบหรือเราหายใจหรือเราขยับมือเนะี่ยทําไปทําไปนะเราก็ดูไปนะเราจะเห็นเลยร่างกายที่พองที่ยุบร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดู ใจเป็นคนรู้คนดูนี่แยกกายกับใจออกจากกันนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นมือนี่คู่เหยียดเดี่ยวซ้ายแลขวาอะไรนี้ใจเป็นคนดูมีร่างกายเคลื่อนไหวมีใจเป็นคนดูแล้วจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยว่าไม่ใช่เรานี่เป็นการเริ่มทำมิปัสนาแล้วนะเป็นการถอดถอนความเห็นผิดว่ากายเป็นตัวเรา นี่อย่างที่สามนะอย่างนี้ดีอย่างนี้ใช้ได้เพราะงั้นถ้าเราหัดพองยุบเราดูลงไปเลยสกายที่ฟองที่ยุบนี่เป็นของที่จิตไปรู้เข้าเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูใจอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูอย่าให้ใจไหลลงไปอยู่ที่ท้องนะอย่าให้ใจไหลไปอยู่ที่ลมอย่าอยู่ที่เท้าให้ใจตั้งมั่นเป็นคนดูเอาไว้นะแล้วเราจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะอย่างที่สี่ นะดูท้องพองยุบไปก็ได้หายใจก็ได้ขยับมือก็ได้แล้วดูสภาวะของจิตนะเช่นพองยุบสภกพักจิตหนีไปคิดดูพองยุบสภาพัจิตไปเพ่งเพ่งเท้านะเพ่งท้องอะไรเนี่ยเพ่งลมหายใจให้รู้ทันว่าจิตไปเพ่งนะดูไปดูไปจิตมีความสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้นะทำกรรมฐานอันาาหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะหัดรู้สภาวะของจิต อย่างนี้ต่อไปจิตก็จะจำสภาวะของจิตได้เยอะแยะพอสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะสติเกิดเองเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีทำให้เกิดสตินะคือหัดจำสภาวะให้ได้เพรนั้นใครเคยทำกรรมฐานอะไรทำกรรมฐานานั้นต่อไปแล้วก็จำสภาวะจะได้รู้จักสภาวะเช่นดูฟองยุบไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้ ในที่สุดเรารู้จักเยอะเลยหรืออย่างน้อยก็ต้องรู้กายเห็นร่างกายมันหายใจมันพองมันยุบไปกะจิตเป็นคนดูเนี่ยกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอย่างนี้ใช้ได้ก็เป็นวิปัสสนาดูกายถ้าหัดดูสภาวะของจิตที่จะได้ไปทำวิปัสสนาดูจิตฉะนั้นเบื้องต้นทํากรรมฐานอะไรก็ได้นะควรทําที่อย่างหนึ่งแต่อย่าทํากรรมฐานซึมๆอย่างนี้ไม่ได้นะกรรมฐานซึมนี้มันจะตกไป อย่างที่สองเลยซึมๆอย่างเดียวไม่ดีขึ้นเจริญปัญญายากนะเดี๋ยวเราหยุดพักก่อนนะเดี๋ยวต้องคอยเตือนนะถึงไหนแล้วถึงเรื่องวิธีทำให้เกิดสติแบบไปก็เรื่องสัมมาสมาธิต่อไปก็เรื่องวิปัสสนาปัญญาสุดท้ายจบด้วยเรื่องวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเอาฟ่ะจะเอาให้ถึงไหม <c oughs> แล้วแต่เวลานะ แล้วฟังว้นเดียวจบเลยเลิกกันเลยนะํา่ต้องมาอีกแล้วน้ามาเยอะ